ความหลังในสังสารบทที่20สิบสอนพระนวะกะวันจันทร์ที่หธันวาคมพุทธศักราชสั เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยและในวันนี้พระครูเจริญจเจ้าวาดวัดป่ามะม่วงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระภาวนาวิสุทธิคุณแม้จะเป็นเจ้าคุณแล้วแต่ศิษยานุศิษย์ทั้งในวัดและนอกวัดยังคงเรียกท่านตามความเคยชินว่าหลวงพ่อ เพราะท่านยังคงเป็นพ่อที่ให้ความเมตตากรุณาต่อลูกๆผู้มีทุกข์มีปัญหาที่ด้นด้านมาให้ท่านช่วยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณหรือพระครูท่านก็มีงานล้นมืออยู่ตลอดเวลาเพราะนอกจากงานสร้างคนแล้วท่านก็ยังมีงานสร้างพระซึ่งเป็นงานที่ยุ่งและยากทั้งสองงานท่านเคยถามตัวเองว่างานสร้างคนกับงานสร้างพระ อย่างไหนยากกว่ากันหากจะตอบอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างพระด้วยกันแล้วก็ต้องตอบว่างานสร้างพระยากกว่าที่ว่ายากกว่าเพราะพระก็มาจากคนนั่นเองก่อนหน้านี้มีเจ้าอาวาดวัดหนึ่งที่อำเภอพรมบุรีเคยปราร ก, กับท่านว่าที่วัดผมมีพระลูกวัดรูปหนึ่งว่ายากสอนยากประพฤติผิดวินัยเป็นนิจสิน ไม่มีวันใดที่เขาไม่ทำให้พระวินัยสะเทือนเพราะอย่างน้อยที่สุดก็เข้าขายทุพภาสิทธิ์พระก็มาจากคนนั่นแหละครับเพราะก่อนบวชเขาก็เป็นคนบวชแล้วก็มาเป็นพระถ้าเป็นคนเก้มาบวชก็กลายเป็นพระเก้เหมือนดอลล่าปลอมมาจากอเมริกาพอเอามาใช้ในเมืองไทยก็ยังเป็นดอลล่าปลอมอยู่นั่นเองท่านตอบเพื่อนบรรพชิต แล้วผมจะทำอย่างไรดีล่ะอันนี้ก็ตอบยากเหมือนกันนะครับถ้าเป็นดอนลล่าปลอมก็ง่ายนอยคือทิ้งไปเสียแต่จะทิ้งพระนี่ไม่รู้จะเอาไปทิ้งที่ไหนในเมื่อวัดเราก็ยังไม่อยากให้อยู่จะไปทิ้งวัดอื่นสมภารวัดนั้นท่านก็คงไม่รับผมจะส่งให้ท่านพระครูช่วยอบรมบ่มนิสัยจะได้ไหมครับก็นในเมื่อท่านเป็นสมภาร เรียกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของเขาเขายังไม่เชื่อฟังและผมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเขาเขาจะฟังผมหรือครับท่านปฏิเสธอย่างนิ่มนวลเพราะถือคติว่าคนดื้ออย่าสอนคนจร อ, อย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนติงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่ากโกรธเคือง ในฐานะที่เป็นเจ้าคณะอำเภอ p ร, รมบุรีท่านจําเป็นต้องสอนพระนวกะคือพระบวชใหม่ในช่วงเข้าพรรษาพระนวกะวัดท่านจะมีประมาณ3 0มสถึงห้รูปวัดอื่นๆที่อยู่ในอำเภอ p ร, รมบุรีจะส่งพระนวกะมาเรียนที่สำนักเรียนวัดป่ามะม่วงโดยมาเช้ากลับเย็นรวมแล้วประมาณร้อยเศษท่านนึกขอบคุณโยมชาญกรศรีธิพา ที่สร้างหอประชุมภาวนากรศรีทิพพาให้ท่านได้ใช้สร้างคนและสร้างพระทั้งในพรรษาและนอกพรรษาในพรรษาปี2532วัดป่ามะม่วงมีพระนวกะ49รูปและจากวัดอื่นๆในอำเภอรพรมบุรีอีก130รูปรวมพระนวกะ179รรูปที่มาเรียนณวัดป่ามะม่วง หอประชุมภาวนาก่อนสิทิพาเป็นที่เรียนสำหรับพระสงฆ์ส่วนญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานท่านให้ไปปฏิบัติที่ศาลาไม้หลังใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ชีก้อนทองปานเนนเคยมาอยู่ที่ศาลาหลังนี้เมื่อส0สปีมาแล้วสมเด็จโตบอกท่านว่าต้นพันศาปีนี้กองทัพ บ, บกจะมาช่วยรื้อศาลาไม้ และช่วยสร้างศาลาตึกขนาดใหญ่ราคาค่าก่อสร้าง8ล้านาแสนบาทหลังจากชั้นพัตหาพผนเสร็จท่านจกคุณวัย60ลงรับแขกเวลาเที่ยงตรงด้วยว่าเวลาบ่ายโมงท่านต้องสอนพระนวกกอญาติโยมพากันมาแน่นกุฏิเช่นเคยท่านจึงบอกญาติโยมว่าบ่ายโมงอาตมาต้องสอนพระนว ก, กะ จึงเลื่อนเวลารับแขกจากบ่ายสองขึ้นมาเป็นเที่ยงตรงถ้าใครอยากจะไปเรียนกับพระนวกา ก, ก็ให้ไปที่หอประชุมภาวนาก่อนสี่ทิพพานโยมนะผู้หญิงไปเรียนได้ไหมคะหรือว่าเรียนได้แต่ผู้ชายสตรีหนึ่งเรียนถามได้สิผู้หญิงเรียนได้ผู้ชายเรียนดีคนแก่เรียนฟรีแม่ชีก็เรียนได้ท่านตอบยิ้มยิ้ม จากนั้นท่านก็ตอบปัญหาที่มีญาติโยมถามบ้างแนะนำวิธีแก้ปัญหาชีวิตบ้างสตรีสาวสวยผู้หนึ่งกราบเรียนว่าหลอนทําธุรกิจส่งออกถูกโกงไปจนธุรกิจกําลังจะล่มอยู่แล้วหลอนมาขอคําแนะนําจากท่านว่าทําอย่างไรจึงจะประคับประคองธุรกิจไว้ไม่ให้ล่ม อาตมาจะบอกให้ว่ามีวิธีเดียวที่จะกู้ธุรกิจกลับคืนมาได้คือโยมต้องมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนไม่เช่นนั้นล่มแน่นอนตั้งเดือนเชียวหรอคะแค่เดือนเดียวเองตามใจนะถ้าไม่ทำอย่างที่อาตมาบอกรับรองไปไม่รอดครึ่งเดือนไม่ได้หรอคะหล่อนต่อรองได้ โยมจะมาเข้าครึ่งเดือนก็ได้แต่ก็ไม่สามารถกู้ธุรกิจคืนมาได้ท่านตอบคลคร ย, ยวนแม้ไม่ใช่เป็นคนยวนหญิงสาวลังเลไม่รู้ว่าจะเชื่อท่านดีหรือไม่เชื่อดีในที่สุดก็ตัดสินใจว่าจะลองเชื่อดูถ้ากู้ธุรกิจคืนมาได้หล่อนจะถวายท่านครึ่งล้านเป็นการตอบแทนเอาเถอะให้ตั้งใจปฏิบัติ กอแพ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรก็แล้วกันก่อนแพ่เมตตาก็ให้ขออโหสิกรรมเสียก่อนรับรองธุรกิจจะรุ่งเรืองยิ่งกว่าเก่าสิบเท่าและทิ่คิดว่าจะถวายอาตมาหนึ่งล้านนั้นไม่ต้องถวายก็ได้อาตมาไม่อยากได้เงินคลองใครท่านพูดยิ้มยิ้มหญิงสาวเกิดความมั่นใจในนาทีนั้นว่าหากทําตามคําแนะนําของท่านจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอน นาดหล่อนคิดในใจว่าจะถวายเงินท่านท่านก็ยังรู้เอาเถอะถ้าธุรกิจของหล่อนจเจริญกว่าเก่าสิบเท่าจริงหล่อนจะถวายท่านสองล้านหนึ่งล้านท่านไม่รับถ้าสองล้านท่านอาจจะรับก็ได้ตกลงถ้าถวายสองล้านอาตมาค่อยรับท่านพูดกับหล่อนทั้งที่รู้ว่าเมื่อถึงเวลานั้นหล่อนจะถวายนับสิบล้านด้วยรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณท่าน ผู้ที่นั่งนะ้นที่นั้นรู้สึกงงงว่าท่านพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องส่วนสาวสวยกราบลาท่านเพื่อจะไปเตรียมข้าวของมาอยู่วัดหนึ่งเดือนชายหญิงอายุประมาณเสจสเศษกราบท่านแล้วคนเป็นผู้ชายก็พูดขึ้นว่าผมกับพี่สาวมาจากปทุมธานีจะมาขอให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาเอาที่ดินคืนจากวัดหลวงพ่อช่วยเราด้วยนะครับทําไมถึงจะเอาคืนละ่ะ ใครเป็นคนเอาที่ดินไปถวายวัดแม่ผมครับแกเอาที่ดินถวายวัดไปห้าไร่เมื่อสิบปีที่แล้วตอนนี้แม่แกตายไปแล้วผมกับพี่สาวก็อยากได้ที่ดินคืนเลยมาขอให้หลวงพ่อช่วยก็แม่โยมถวายวัดไปแล้วทำไมโยมถึงคิดจะเอาคืนล่ะตอนนั้นที่ดินมันราคาไม่เท่าไรแต่ตอนนี้ไรลับเป็นล้านผมกับพี่สาวก็เลยอยากได้คืน จะเอามาขายเอาเงินแบ่งกันอาตมาไม่ช่วยรอกมีอย่างที่ไหนแม่เป็นคนถวายแต่ลูกจะไปเอาคืนให้หาพระวัดอื่นให้ช่วยเธอท่านปฏิเสธหลวงพ่อช่วยหน่อยเถอะผมกับพี่สาวตกลงกันแล้วว่าถ้าหลวงพ่อช่วยสําเร็จเราจะถวายหลวงพ่อคนละแสนอาตมาไม่อยากได้เงินข้องโยมจะให้สิบล้านก็ไม่รับ ท่านปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใหญ่ไม่รับก็ไม่รับไปเราไปวัดอื่นกันเถอะพระวัดนี้ไม่มีเมตตาคนเป็นพี่สาวชวนแล้วสองพี่น้องวัยใกล้ฝั่งก็พากันลุกออกไปโดยไม่กราบลาท่านเจ้าของกุฏิเพราะโกรธที่ท่านไม่ช่วยคนสองคนลุกออกไปแล้วท่านเจคุณจึงพูดกับญาติโยมที่นั่งณนะที่นั้นว่า คนสมัยนี้คุณสมบัติทางใจตกตามลงกว่าคนสมัยก่อนเพราะถูกความโลภครอบงำจิตใจคิดจะเอาแต่ได้ทายเดียวที่อาตมาไม่ช่วยเพราะไม่อยากให้เขาบาปดูเขาโกรธหลวงพ่อนะครับมาไหว้ไปไม่ลาบุรุษหนึ่งออกความเห็นอาตมาก็รู้ว่าเขาโกรธน่าสงสารนะแก่ป่านนี้แล้วยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ แล้วเขาจะบาปไหมคะที่โกรธหลวงพ่อหญิงสาวที่มากับบุรุษนั้นเรียนถามบาปสิแต่ก็ยังบาปน้อยกว่าที่จะเอาที่ดินคืนจากวัดเอาละเที่ยงแล้วอาตมาจะต้องไปสอนพระนวกะใครอยากไปเรียนกับพระนวกะก็ตามมาได้ส่วนคนที่ไม่มา ก, ก็ให้ไปทานอาหารที่โรงครัวนโยมนะวันนี้แม่ครัวทาแกงส้มกับต้มผักกาดดอง ญาติโยมส่วนใหญ่พากันไปรับประทานอาหารที่เหลือตามท่านเจ้าคุณไปยังหอประชุมภาวนากนสีธิภพาเมื่อท่านไปถึงพระนวากากำลังคุยกันอย่างสนุกสนานท่านเดินไปนั่งคุกเข่าที่หน้าพระประธานเพื่อนำกราบพระรัตนตรยัยเสียงคุยเงียบลงพระนวากาพากันคุกเข่าตามท่านญาติโยมที่ตามมาพากันไปนั่งด้านหลังต่อจากแถว สุดท้ายของพระนวักะนำกราบพระรัตนตรายแล้วท่านเจ้าคุณจึงเดินไปนั่งยังอัสนะด้วยกิริยาอาการเรียบร้อยงดงามตามปกติของท่านพระนวักะผู้มีปัญญามาบวชเพราะมีศรัทธาภาษาทัพากันมองท่านอย่างชื่นชมและคิดว่าจะต้องทําให้ได้อย่างท่านจะได้ช่วยกันจริโลงพระศาสนาให้วัฒนาทาวรสืบไป ส่วนผู้ที่มาบวชตามประเพณีมิได้มีศรัทธาภาสาทะมองไม่เห็นความงดงามตามสมณส า, ารูปของท่านเจ้าคุณเพราะยังอยากที่จะคุยกันต่อคิดว่ารอให้ท่านสอนเสร็จค่อยคุยกันใหม่ขอจเจริญพรท่านพระภิกษุณวกะทั้งหลายวันนี้ ผมจะบรรยายเรื่องวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญที่ท่านเล่าให้ผมฟังตอนไปอยู่กับท่านเมื่อปี2493ก่อนอื่นขอเล่าประวัติสั้นๆของหลวงพ่อสดที่ท่านเล่าให้ผมฟังก่อนท่านเว้นระยะนิดหนึ่งแล้วจึงเล่าต่อหลวงพ่อสดเป็นคนสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้อง ก่อนจะมาบวชท่านมีอาชีพค้าข้าวเอาข้าวใส่เรือโยงไปขายกรุงเทพโดยที่ท่านเป็นนายท้ายเรือเองระหว่างเดินทางโดนยิงเรื่อยพวกผู้ร้ายมันมาดักยิงหลายครั้งหลายหนแต่ท่านก็ปลอดภัยรอดตายมาได้ทุกครั้งท่านก็เลยจ้างลูกจ้างให้มาเป็นนายท้ายเรือแทนแต่ก็ยังโดนยิงอีก ยิงถูกแขนถูกขาของลูกจ้างทิท่านให้มาถือท้ายเรือแต่ไม่ตายท่านจะคุณกว่าสายตาไปดูพระนวิกะว่ารูปใดคุยกันบ้างและสบตากับพระรูปหนึ่งซึ่งกำลังสะกิดเพื่อนเพื่อชวนคุยพอสบตากับท่านก็ชะงักท่านจกคุณไม่ได้ว่ากระไรยังคงสอนต่อไปหลวงพ่อท่านก็มานึกในใจว่า นี่เราจะจ้างเข้ามาตายแทนเราหรือนี่ไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะจะเป็นบาปเป็นกรรมแก่เราสมัยนั้นมันมีพวกคนร้ายที่ชอบมาดักยิงเรือสินค้ายิงในท้ายเรือแล้วปล้นสะดมเอาสินค้าเงินทองข้าวของเข้าไปทั้งแย่งชิงวิ่งราวกันก็มากที่พ่อค้าเรือโยงต้องเผชิญที่ท่านเล่าให้ผมฟังสมัยที่ผมไปอยู่กับท่านหเดือน เพื่อเรียนวิชาธรรมกายเมื่อหลายปีมาแล้วพระนวกะรูปหนึ่งนั่งทำหน้า ง, งุ้มมาข้างหน้าเพราะกำลังต่อสู้กับความง่วงท่านจึงบอกรูปที่นั่งติดติดกับรูปนั้นว่าช่วยสะกิดหน่อยผมจะถามคำถามท่านสักข้อหนึ่งเมื่อถูกสะกิดท่านก็สะดุ้งตื่นตามองไปที่พระอาจารย์ท่านเจ้าคุณจึงถามว่า ท่านตอบผมมาสิว่าพระนวกะแปลว่าอะไรไม่ทราบครับตอบแล้วก็หลับต่อถ้าไม่ทราบก็ยังหลับต่อไม่ได้แล้วอยากทราบไหมทราบคําตอบนะ่ะไม่อยากครับตอบตรงไปตรงมาไม่อยากแล้วทําไมมาเรียนละ่ะท่านจะคุณรุกอีกอันที่จริงผมไม่อยากมาเรียนครับแต่สมภารท่านบังคับให้มาท่านจะได้มีผลงาน เห็นว่าท่านอยากจะเป็นเจ้าคุณพระนวากาตอบตรงไปตรงมาอีกครั้งคาตอบของท่านทำให้เพื่อนสหธรรมิกพากันอมยิ้มเห็นพระลูกศิษย์พากันอมยิ้มท่านเจ้าคุณจึงถามยิ้มยิ้มอีกว่าถ้าอย่างนั้นท่านได้ตอบได้ช่วยตอบด้วยพระนวกะวัดป่ามะม่วงยกมือขึ้นและพูดว่ากระผมขอตอบดังนี้ครับแล้วจึงตอบว่า พระนวกะหมายถึงพระบวชใหม่หรือภิกษุมีพรรษายังไม่ครบห้าพรรษาถ้ามีพรรษาครบห้าแล้วแต่ยังไม่ถึงสิบพรรษาเรียกว่าพระมัชิมะส่วนพระที่มีพรรษาตั้งแต่สิบพรรษาขึ้นไปเรียกว่าพระเถระครับเก่งมากขอประทานโทษท่านมาจากวัดไหน ท่านเจ้าคุณชมและถามวัดต้นสังกัดของพระลูกศิษย์กระผมไม่ได้มาจากวัดไหนกระผมอยู่วัดป่ามะม่วงครับกระผมรู้สึกน้อยใจที่สมภารจำลูกวัดไม่ได้กระผมจะขออนุญาตไปกระโดดน้ำตายได้ไหมครับจะ ก, กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดนี่แหละช้าก่อนถันใจเย็นๆผมลองทดสอบดูเท่านั้นเองอย่าน้อยอกน้อยใจไปเลย หัวก็ไม่ล้านสักหน่อยถึงแม้กระผมหัวไม่ล้านแต่ก็หัวล้นครับหัวล้านยังพอมีผมประปรายแต่หัวล้นนี่เลี่ยนเตียนเลยนะครับลูกวัดตอบปากตอบคากับสมภารเอาละเอาละเอาเป็นวัดสมภารขออภัยลูกวัดด้วยที่จำไม่ได้แต่แม่อุญาตให้ไปกระโดดน้ำตาย เอาละทีนี้พระอาจารย์ก็จะเล่าเรื่องธรรมกายของหลวงพ่อสดต่อแล้วท่านจึงเล่าว่าในที่สุดท่านก็เลยตัดสินใจบวชท่านบอกว่าค้าขายมันก่ออย่างนี้ถูกปล้นถูกชิงทรัพย์แล้วก็แก่งแย่งแข่งขันกันทำมาหากินได้เงินได้ทองแล้วก็โดนปล้นบ้างโดนโจรกรรมบ้าง จะเป็นนายท้ายโยงเรือไปขายข้าวเขาก็ยิงเอาไม่มีอะไรดีเท่ากับบวชเป็นพระนี่ท่านเล่าให้ฟังเป็นส่วนตัวให้ผมฟังอย่างนี้ผมก็นวดให้ท่านท่านก็เล่าไปผมก็นวดไปฟังไปในที่สุดท่านก็บวชอยู่ที่สุพรรณบุรีต่อมาก็ได้ย้ายจากสุพรรณไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม จังหวัดพระนครห ล, ลานชายของท่านชื่อปุ่นามสกุลสุขเจริญอายุ15ปีได้มาอยู่เรียนหนังสือที่วัดพระเชตุพนด้วยพออายุ16ก็กลับไปบวชเป็นสมัมเนรที่วัดสองพี่น้องอําเภอสองพี่น้องบวชได้พรรษาเดียวก็สึกไปช่วยพ่อแม่ทํานาเส้นหนึ่งปีเสร็จแล้วก็กลับมาบวชใหม่นี่พูดถึงหลานชายท่านนะ บวชเนนตอนอายุ16แล้วมาอยู่กับท่านหลวงอาคือหลวงพ่อสดที่วัดโพธาเตียนท่านจะคุณไม่อยากใช้คำยาวๆเรียกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจึงเรียกชื่อเดิมของวัดและแล้วก็ถูกพระลูกวัดคนเดิมทิ่ท่านไม่อนุญาตให้ไปกระโดดน้ำตายทักทวง อาจารย์ครับเมื่อตะกี้พระอาจารย์บอกว่าล้านชายหลวงพ่อสดมาอยู่กับท่านที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแต่คราวนี้กลายเป็นวัดโพทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเล่าครับท่านเจ้าคุณทําท่าขึงขังตอบลูกวัดว่าอ้าวก็เมื่อตะกี้ท่านเรียกผมว่าสมพานและทำไมตอนนี้มาเรียกพระอาจารย์ละ่ะพระนวากาอีกรูปหนึ่งเป็นคนกรุงเทพ จึงช่วยตอบแทนพระอาจารย์ว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกับวัดโพวัดเดียวกันแต่ก่อนชื่อวัดโพแล้วมาเปลี่ยนเป็นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามท่านเจ้าคุณจึงบรรยายต่อโดยไม่ต้องการทราบเหตุผลจากพระลูกวัดรูปนั้นที่เรียกท่านว่าสมภารแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพระอาจารย์ เมื่อสามเณรปุลอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทที่วัดสองพี่น้องได้ฉายาว่าปุล น, นัสิริแล้วก็ย้ายมาอยู่กับหลวงอาคือหลวงพ่อสดที่วัดพระเชตุพนวิมล ม, มังคลารามหรือชื่อเดิมว่าวัดโพเพื่อศึกษาภาษาบาลีสรุปให้สั้นว่าในเวลาต่อมาหลวงพ่อสดก็ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ส่วนพระภิกษุบุญบุญนสิริหลานชายของท่านก็ได้เป็นสมเด็จพระอริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2515ต่อจากสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีองค์ที่16ซึ่งได้รับอุบัติเหตุรถยนต์ที่ประทับถูกรถบรรทุก ที่แหลนสวนทางมาพุ่งชนตกถนนสิ้นพระชนทันทีเมื่อวันเสาร์ที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2514าทำไมพระสังฆราชจึงต้องสิ้นพระชนอย่างนั้นแล้วครับพระนวกะรูปหนึ่งที่ไม่ได้สังกัดวัดป่ามะม่วงเรียนถามท่านเจ้าคุณตอบเป็นภาษาบาลีว่ากรมมุนาวัตติโลโกแล้วจึงเล่าเรื่องหลวงพ่อสดต่อ หลวงพ่อสดท่านเล่าให้พมฟังว่าที่อยู่วัดโพธท่านก็อยู่แต่ในกุฏิของท่านไม่ได้เสวนาหรือสุงสิงกับใครท่านเจริญสมถะวิปัสสนาอยู่ในกุฏิแผ่งกสินตลอดฤดูกาลเพ่งไปเพ่งมาเจอนางฟ้านางสวรรค์แล้วก็เจอนรกเจอสวรรค์เจอกายทิพย์และท่านก็รวบรวมเป็นวิชาธรรมกายเป็นสมถะวิปัสสนา แต่แล้วก็ทำให้จิตลงอยู่ในนิมิตเครื่องหมายนั้นไปคุยกับพระพุทธเจ้าได้จับมือถือแขนพระพุทธเจ้าได้พระจุลามณีก็เคยไปเฝ้าไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ติดข้องอยู่อย่างนี้ท่านพูดกับพระนวกะระและญาติโยมในที่นั้นว่าพระนวกะระและญาติโยมโปรดทราบไว้ด้วยว่าสมถะวิปัสสนาอันได้แก่ รักกรรมฐ า, านสีสเช่นการเพ่งกสินนี้มีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงสำเร็จฌานมาตั้งแต่เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วแต่ทำไมพระเวสสันดรจึงไม่ทรงหามัคควิธีที่จะทำให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเส้นในชาตินั้นมีท่านผู้ใดตอบได้บ้างหรือญาติโยมจะตอบก็ได้นะเงียบ ทั้งพระทั้งโยไม่มีรูปใดหรือผู้ใดตอบท่านเจ้าคุณจึงตอบซิเองว่าเพราะยังไม่ถึงเวลาคือต้องเป็นไปตามขั้นตอนต้องผ่านทศชาติก่อนทศชาติเรียงตามลำดับคือพระเตมีพระมหาชนกพระสุวรรณสามพระเนมิราชพระมโหสดพระภูริทัตพระจันทกุมารพระนารัตะพระวิทุระ และพระเวสสันดรหลังจากนั้นก็จะไปอุบัติเป็นเทพผบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตนามว่าสันดุสิตเทพผบุตรแล้วก็มาอุบัติเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะและตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแล้วท่านจึงบรรยายต่อ ทีนี้ก็จะมาต่อเรื่องธรรมกายของหลวงพ่อสดที่ท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านคุยกับพระพุทธเจ้าได้สบายมากคุยกับพระอินทร์ก็ได้ผมก็เรียนถามท่านว่าหลวงพ่อได้วิชานี้มาจากไหนครับท่านตอบว่าเราคิดขึ้นมาเองเพ่งกะสินดินกะสินน้ำกะสินไฟกะสินลมก่อนพอเพ่งกะสินจนมีดวงกะสินเกิดขึ้นก็มีธรรมกาย เห็นลูกแก้วใสสะอาดเกิดจิตนึกถึงเทวดาเทวดาก็มาคุยจิตนึกถึงพระอินทร์พระอินทร์ก็มาคุยกับเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสนทนากับเรานี่ท่านบอกผมอย่างนี้เลยในที่สุดเวลาการต่อมาพระนวกะเจ้าเก่ายกมือขึ้น ท่านเจ้าคุณไม่สนใจเพราะเห็นหนอบอกว่าลูกวัดจะทักท้วงสมพานว่าใช้คำซ้ำกันคือคำว่าเวลาการเพราะการแปลว่าเวลาและเวลาก็แปลว่าการเห็นท่านไม่สนใจพระนวากาลูกวัดจึงลดมือลงเพราะรู้สึกเมื่อยตอนที่ท่านเจ้าคุณ ท, ทําธวรราชมหาโมนีสมัยที่ยังเป็นมหาโชโดก เพราะได้เปลี่ยนธรรมประโยคก้าวท่านอยู่คณะห้าวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์ได้รับสมยาวา่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะท่านจำเนื้อความในพระไตรปิฎกได้หมดว่าอยู่ในเล่มที่เท่าไรข้อที่เท่าไรหน้าอะไรจำได้หมดต่อมาหลวงพ่อสดท่านก็ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่คณะห้าวัดมหาธาตุ ได้ฟังเทศลำดับญาณโดยพระอาจารย์ชาวพาม่าเป็นผู้เทศใช้เวลากว่าหกชั่วโมงผมยังไปนั่งพัดให้ท่านท่านหมายถึงใครครับคือท่านสมพานพัดให้พระชาวพาม่าที่เทศลำดับญาณหรือว่าพัดให้หลวงพ่อสดครับพระลูกวัดเจ้าเก่าเรียงถามท่านจะคุณไม่แน่ใจว่าพระลูกวัดรูปนี้ท่านขาดหรือว่าเกิน คือสสรึงหรือหสรึงเพราะดูท่าทางแล้วไม่น่าจะเต็มบาทจึงตอบว่าผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสดก็ต้องพัดให้พระอาจารย์ของผมน่ะสิท่านไม่น่าถามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าท่านมีข้อสงสัยมากก็ น, นิมนต์ไปถามผมที่กุฏิก็แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาในทีนี้แล้วท่านเจคุณจึงบรรยายต่อโดยไม่สนใจพระลูกวดัดรูปที่ท่านสงสัยว่า ถ่าทางจะไม่เต็มบาทเอาละผมจะบรรยายถึงตอนที่หลวงพ่อสดท่านฟังพระอาจารย์ชาวพม่ า, มาเทศลำดับยานอยู่นานกว่าหกชั่วโมงและผมก็เป็นคนนั่งพัดให้ท่านพอพระอาจารย์พม่าเทศจบหลวงพ่อท่านก็พูดกับผมว่านี่เธอเราไปหลงเป็นขี้ข่าเข้าเสียหลายปีเพิ่งรู้ดีตอนที่มากำหนดเห็นหนา พอกำหนดเห็นหน้อดได้ธรรมกายหายวับไปเลยแล้วแสงแห่งปัญญาก็เกิดต่อมาภายหลังท่านก็เข้าพ้นสมบัติได้24ชั่วโมงออกจากผลสมบัติแล้วท่านก็บอกกับลูกศิษย์ลูกหาที่วัดปากน้ําว่าท่านจะเอาสติ ป, ปัฏฐานสี่มาเป็นหลักสูตรของวัดปากน้ำหลวงพ่อสดท่านเข้านิโรธสมบัติได้ด้วยเพราะท่านได้ฌานมาก่อน นิโรธสมาบัติก็คือสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติเพราะเป็นสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาท่านชคุณพูดกับพระนว ก, กะและญาติโยมชายหญิงที่นั่งอยู่ณที่นั้นว่าท่านทั้งหลายโปรดทราบไว้ด้วยว่ามีบุคคลสองประเภทเท่านั้นที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้บุคคลสองประเภทนั้นก็คือ พระอนาคามีที่ได้สมบัติ8คือได้ฌานแปมีรูปฌานสี่อรูปฌานสี่ถ้าตามกว่าพระอนาคามีคือพระโสดาบันหรือเป็นพระสกทาคามีแม้จะได้ฌานแปดก็ไม่สามารถเข้านิโรธสมบัติได้ท่านจะคุณกวาดสายตาไปยังผู้ฟังทั้งพระและโยมเห็นนั่งตาสายตั้งอกตั้งใจฟังกันดี ท่านจึงบรรยายต่อส่วนบุคคลอีกประเภทที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ก็คือพระอรหันต์ประเภทอุพโตภาควิมุตต์คานี้แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนคือได้ทั้งเจโตวิมุตต์ขั้นอรูปสมาบัติก่อนแล้วก็ได้ปัญญาวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยปัญญาการที่หลวงพ่อสดท่านเข้านิโรธสมาบัติได้ แสดงว่าท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตต์แต่น่าเสียดายที่ท่านยังไม่ทันได้สอนหลักสูตรสติปัฏฐานสีถที่วัดปากน้ำเพราะท่านนิพพานเสียก่อนวัดปากน้ำก็เลยสอนธรรมกายอย่างเดียวต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ท่านจะคุณรู้สึกเจ็บคอจึงจิบน้ำชาที่ทำจากลูปต้นใต้ใบกับต้นมายาาบ จีบจนรู้สึกถึงรสขมของต้นลูกใต้ใบซึ่งช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้แล้วจึงบรรยายต่อ